ะเะได้ตอนนี้สั่งใหญ่นี้่ไปั ง, งเมืองที่บ<ะ>ุญขอบคุยุกจบนันค้นบ้านนี้ไปเป็นเจ้าเมืองเจมเมืองที่บุญชาวจ ม, มาีชาวจมาีไเป็นเจ้าเมืองที่บุญมือกาฮานะได้อกไปยกระกันด้วยในฐานะอากตีสี่นองคนกันไป กะต่างที่อิบูนไดนี่พ่อมูแน่ก็เป็นเจ้าขึ้น้ายเลยขอบคุณวัดัดหนึ่งก็เลยัดนแต่เลย่ไป้ำหไปน้่ไยน้ไปนําให่น้่ไปน้ำใหญ่ไปน้ำใหไปน้ำ่ไปน้ำใหญ่ไปน้ไปน้ำ่ปน้ำใหร่ไปน่ไปน้ำใไปน้ำกห่น้ำให่น้ำใหญนใหม่ไป้ำใหป็้่น้ำใหญน้ำให้ำใ่ไปนให่้ำปนน้ำใหญ่ไปห่น้่้ำญน้ำใหญ่ไปน้ำให้ำนห่น เราเลี้ยงบอนสัตวอย่างเช่นเดี๋ยวจะพึ่งตะม่วงที่มาจะมีปูขึ้นเดมะยูนตรงนี้ครับผมสามพุทธลังอ๋อนี่มันมะยูนอ๋อท่านญาติมาอยู่สเดือนพรรษาหนึ่งีนี้รถไถนี้เพราะไรเร่องเรื่องพันธุนี้มันดต่อไหมครับคุณมันดูต่อเพราะมีพุทธกับการต่ออยู่ด้อ๋อ ไอสามปรนตอยู่เนาะมาลข้นกูดสองมากใชออทงหลังเนี่ก็เป็นปลาข้งหันก็อะไรครับผมประมาณางด่านนาตนี้ยประมาณขาจีบไตรนี้คือดูแลอะไรกูอยู่นิดนิดนึงปบงย่าปลาปนอรเป็นปลาเนาะเเราเราขายเสนตรงนี้ครับตรง้างบานเนี่ยโอ ขา no. เดียวาดครับในรื่องบ้านซอกันเหตุแต่ว่าอันปัดขวดเป็นพระสะพานมันโคตรสุดมากปัดขวดเป็นพระกายเนื้อียร์ับทั้งโทรศัพท์เนาะครับูทังทั้งกระดีวัดกระดีอาตัวผมักระันกวอ๋อเข้าพูด คนมาสารเรียนน <g all> ้ำ <French> ปูไรอย่ครับผมนี่แต่ไม่คยนี่นะนี่แต่ที่เมื่อขอกับปกติเขาไจะได้รับกับเพราะนัเพียนครูบาอาจารย์ไลยติดังแท่งครูบาอาจารย์มั้งโมเมนต์แมแต่จำเป็นกัเพชรเพชรแห่งบทเพชรเจียดีพอถึงมือ่ไหมหาขัานเรียน แง้งทางนี้แนวกางนู่นครบับูมันแง้งๆแต่ตะกินมันจะจางมากเลยยงานตะกินทอดสมบัติทอดีอืมแล้วะทีมา้าทีมา้าข้องเรียนฝาพานขึ้อขอขนอ่างครับปูฝ่าพายจะขาดฝ่าพายฝ่าพายยัไงะออเขาบอกว่าปูผักโดนฝ้าคายในบ่อคมันจะเกียงมันลงแล้วข้าเสื้วข้าเือ ก็เป็นเย็นนิ่ใส่ผ้าทั้งกระสีน้ามองน้าไหลลงมาโอ้กจังการกดกาลนสะบัดหคันงส์ั้างลงเย็นนิ่งใส่ผ้าติดขอบไปกับพวก้าเขาพระว่านี่เศษเล็กที่น่ันยาดมันลงมาหาเลยโอติดกับของวัดมันกับฝ้เสียงบ้างเตียงบ้านอืมเฮ้ยเย็นนี่พักนึง ต่ำมากๆร่องั่างสีร่องช่างสีมันก็แล่นหาหม่องล่อมันปนไปลมลมเนเลสลมเป็นเลสกระโดดต้องมากกน่าเอาเป็นจะหากันว่าอะไนั่นโดดมาได้อโอ้โหว่ามรู้ิบก็ยังไหนู่หัวแล้วล่องมันล่องลองนี่เรื่องาปลาอตอนมาล่องนี่บอกว่าวาปาเลยกออืม หอหล่มยังออฝ่าเ้าตัวนีน <laughs> เป็นอย่างมหาปูนมันอ่างสากส่วนหนึ่งไหวนะขาขาดแต่ว่าฝา่าเท้าโมเดลมันไปยื่ตรงนี้โอ้งมามเต็ม่ไหนมันจะแรงลงร่องขาร่องดินเป็นไรยวั้าอ่างสาขาดซื้อๆโมฮาูมันใหม่เลยเจ็บไหมครับ โมหว่ามันใหม่ยังไงไม่เห็นแสงไฟจะหงุหดโมโหว่มันเวอรเลยเวอรสูงสองหม่อันบุญนะครับปูปลาผายมันหลายนกว่านั้นไม่เป็นแผลใช่ไหมใช่กว่าไแผครับมันมีแผลนิดน่วางเป็นที่ใหม่ๆเป็นแผลนังขลือรไรราใสกว่ไรก็จวนี่ยข้ามนี่คเขาว่า ต่นเหนบอกินตน็เขนมากเบมันับตรงไปิทนังไสแต่ว่าแต่ว่าผู้รงรงบานตรงรงานเา็นไเขาไปน่นเบืองอาการไยยาแก้ปวดเป็นหนึงเขามกินไปนันเบื้องอาการพบขุมดีกว่านี้ยังเลยของงามเลยมงเขาจะออกเสียวมงเกา ต่อนหรอกสอดม้อยไรมาสวดต้การหมั่นใจว่าอะไรห่อยมันกับเจ้านี้แ้วใช่ไหมจงเลแล้วตอใ้เขาเขเจะแกว่งยางเบิงแต่ยางเบิงจะ้องแบบอะไรับไดก็ปกติหลวอย่างเนี่ครับูกระันลวย่างรุ่บอหลวมันบุ่งว่าใจรุ่วใจแต่มันลงม่ได้เลยมนมีเหลือัดตัดขึ้นว่าใจว่าใจยึดเต็มั่นมันไตว่าใจต้องแบบ <c oughs> มันลงสั่งกะทิมันแร ง, ง, ง, ร ง, งมันชอบังาโดดแต่ชงกมันจีใหม่ขอบช่างกะทิเนีเป็นสือั้นานโอ้อยยยยยส่วนโดดต้องมาหาคนเลอมันหาหมออูมันเป็นเสาเสาแหงเรื่องใหม่ทใหม่เป็น่งมันเป็นเป็นคืน น, น, นั่เป็นคืน้ มันแรงลงลงนี้มันไปฝาดสนคอทางจากมองฝ่าฟ้าไปนะสนคอว่ามันู่ขึ้นเลยเขาเจ้าฝ่าฟ้ามันขาขึ้นว่ามันขาถึ้นขาลงมองแค่ฝาหลังเสียดคอหนาแน่ขนนนะู่หกเลยจากขึ้นยื่นไปขึ้นไปเท่งางานเราประมาณจำเลย ทำห้องปอกปอกันปอนนะขู่โขกกันขูโขกขนานแหกันเลยนะสนานาูโขกมาเลยเป็นสุวรรลายี่ได้เลยบุองมันสองนั้นประจำมือิัมาถึงข้าวตัวที่ว่าปฏิหารกับปฏิหารกูมันร่องของซะเนาะโดนอกของ ร่อนฟางเห็นเรา็นปลาโอภาสุคนวงจัดเขาเนาะปลาโมมาหยันแต่แรกแต่ขอทุออกเรียนลุ่นลุ่นแหลกเลยลา่นายป่าขี่มาองเรียนลุ่นแาว่เรียนีมาคงฝ่าฟ้าเบลีย์ผู้ชายล่นสายป่าโยวก็คิดเหม่อออกมา ออก่าหลุนสองอีกแต่ว hmm. uh, yeah. uh ่าอีกเอาบอกเกาอืมใช้โมเดลอะไรอะไรคือเฮ็ดน้อยเนาะเฮ็ดน่ามีง่าเห็ด่มี่รูปแลยเฮ็ดจะหลุนปูสองลุนนะครับผมโอ้ยเ็ดมานี่ัสามสี่ราคาบ้างลุนเกาเกาบริหารอะไรอ่ ส่วนเตาหน่อยแล้วเอ้เนี่ยโมยันขอดตอนเป็นหลุดหลังก็ะนะเหลียวเหลียวได้ใส่เสื้เด็กก็ดีแล้วครับผมเด็กขาหาอยู่ระวังว่าะน่อยกนวดนอนอาายานได้คนปวดะน่อยกันขอดมืเขายุดตกจนมากจะพิการมาก เจนี่ปูขั mm ้นใจอะไรกนในนะครับผมอ่าติ๊กโตขันเหร้าสิบ้าสิบปเจ็กว่าอาย็ดติกือหัวัวเนบจวออัอ๋อรีอายุอายุครบบวชแต่บวชอะไรที่สิบปีใช่แต่ผมผมเห็นลูก ปู่นั่ับลุงปู่จันเดียนุลุงปู่ฮจักกันก็เปนเห็น่นนมาได้ไหเห็นน่นแ่นท่ า, าครับมีนะครับปู่มีามลุก่ชื่บอบไรครับปู่มีสามหลุแน่ น, นมีกลางนั่งอ่ด้านวองค์เห็นน่งอย่ด้านซ้นั่นนะครับปู่เห็นแต่โดนนะครับปู่แน่นมาครับปู่ผมก็ <c oughs> ตอนนั้งยืดด่วนเลยครับผมตอนนั่งนัน่งย่อม นั่นดาสวายวัดตูวัดบุญญาโนสอนบุญญาโนสอนเป็นเป็นผู้ก่อท่านตอนเขาเอารถมาตรงบ้านไอ้แจงนั่นจะบอกไว้แล้วว่าตีไม้จะเอา้ะไปเท่าเท่าไรเขาบอเอารถออกเัื่อเสกเี่ยมันที่การขายครับผมเขาออกมาบ้านหอกตีไม้เองยันท่านาออกมาออกมาเาเห็น กโทษน้โทษนําก็เลยว่าเอาไปฝากไปน้ำจัมจัเลีย<อ>ยยเ่ยนจัมจัเลี่ยนจรับไปเอรพรในใจนั่นสักหลื้น<อ>จัม<อ>จันเลี่ยนรับไปกับมาจังไปเอารถขั้นไปตรวจโยนน้ำจัจัเลี่ยนนี่อาิตย์นึงเหอครับผมกระจกลางที่หลังเพราะว่าพกเขาขายรถส่งจากจาั่นกับจัมจันเลี่ยน อ๋อการเห็นที่เป็นใสเป็นมากอ๋อถวายลดไว้นิมนต์คนมาร่วงครับผมไม่ล่วมเคสขอโลวเป็นเซนยักเดีอยวมานั่งต้องกันทัสามองค์ไทยปกติถึงคนไทยใช่ปะใชอยากจังจะาคนเห็นเห็นโง่เห็นข่าวอะไรนะครับคนบ่มบางคนไทยอยู่เราใส่เสื้อไทยเหรอใส่ไทยส่งเสื้อไทยตรงๆเสื้อไทย เขาเรีว่าคนหานะครับปู่เขาไปคนเยอะเหรอคนคนศาลฮองกูหลายเลยครับ่แกก็สามมันฝาวัดฝาบุญญานึ่งนเป็นวัดวัดลุงปู่เลยครับผมบทีม่อนหนักาดไปกิใจเสื่องมันงทีค่นแท้งแตเป็นลงในตัวตาใจอยู่ กำลังดงตัวเดียวสิกำลังแดงไม่ได้มันมากแดงคนแดงแล้วเลี้ยงแดงคนลี้ยงต้องแทงไร่อนใส่เงินบัตรสามสิบร่ผมงานขงคนเดี้ก็างคนจะเรียนเพาะว่าก็ต้งสนใจงานใจปักแต่เนื้อขอบผมขอบมาก้จฝา เป็นก็เป็นกรรมการแล้วองนั้นเมื่อนาคาโบดเมื่อแล้วบอกวาเป็นปรกรรกมา <ừ> ร ก, รร ก, กมาร ก, กันกันตัวไทยโบดเมื่อแล้วปฏิวัติกัรเนียนพุกมารับตรวจสอบการเนียนนี่ความเป็ น, านการเนียนจะดีขึ้นนะนั่นแล่วัดต้นกับต่างจะดีก็ค่ะอย่างนี้ บ, แบนแล้วแบบมันดูเป็น <c oughs> แต่แล้วขอมันก็อ้โหโอ้โห่ีสิน่งกันก็กิโลกกิโลงังสาสเมืออาทิตย์หนึ่งเลยวอก็เลยเอากนมาวต้องากันเนาะข้าเปน้องน้าแจ๊ะเน้องนาแคที่เราผ่านแลพีูดงนี่รเูดเงูดเองถานอันบนแทียีทั้งนี่ อะรหางหัวเยบวครับู่าฮ่าบวขึ้นอบ่าครับไม่ข อ, อม่้าปูใมันกาปูครับมาแ ว, านวน่นมาเลยบวเมื่อวานเรับมาไเจกาบบนั้นหมายน้ำาปลาเนี่่งไปหามเข้าครับห้ามางวนนัลสาโมนั่นนั่นฝากมาสามใ เดนเป็นติกขนาของป้าๆพอไปถึงเวลาเป็นเขาไปติดรออย่างละัยสามขวคงจะออกมาละเอียมาถึงนี่ละกจะออกมาขออาจารทักรูให้เป็นอาจารย์งปูเนาะครับผม เหไรก็ไ้รัไหานตานี่ครับผมไเห็นเลยเขาลุกยุติไ่เคยเห็นเลยครับผมแ่เจ้าของป่าวัดเดียรยครับผมอ๋อคือชเข้าอีกแล้วป่าวัดเช่ยอฮึบวชชิวสิริสารวันอ๋อเตุโมโหลู้โมโหลงผู้สิบสิบคณะวัดแถวันลูกบุขาครับงบัว ทางจากลงภูเ ข, ขาไปสามกิโลตอนนี้อยู่อยู่ที่ตมวนัวนตมวันนันท่านก็จะไปทะเลกันแต่างทีทางจากตมวันไปสากิโลจะไภูเขาเป็ น, น, น บ, บ้านบ้านเดียวกันบนภูเขาลงภูนมก้กันครับผมมาทางนี้ น้อกับโรงพยาบาลหลวงปู่อ่อนตัดกันไปไดกัสามองค์เล็กนั่นขึ้นงัเนี่นเจ้าวาบนนั้ลูกปูสวายไหมเนะครับปูขึนจะเิดฮาฮ่่าเกิดงครับนี่ยเจ้าวดเประวติครับปูหมวดต้นเดียวกัน แสดงวาเป็นสาธรรมนิูด้วยกันบ้นเดียวกันค้นบัณเดียวกันไปบวคน<อ>บัณนก้อเนี้ยไปบวชเ น, น้องท่านทางจากบัณ น, น้องกอไปหาที่โลอแสดงวคู่หาอาจารย์คงได้มีคุณธรรมสูงไปกันอย่างก็โอ้เ<ป><อ>ทียสองันบวต่อกันฮา สำหา้าของในศาสนาค่ะคุณชูนำ้ำคนที่ตีนี้แบบนี้องลันยอยันประจําวันนี้นนออนได้แ<อ>ก่บอกไปใช่ไหมอ๋อชูน้ำคนทีตีก็ออกนี้แต่ออ้องไม่ชอบไม่ช อ, อ, อบแต่ชูบางครั้งก ไปย่ำาำมัตสักก่าอครับของเที่ตกีมดไปอ้สองปัญเที่ต่ี่างเีดี๋ยวไปอกมงเป็นวุ่นอยู่นะ้ไม่้ไม่ไ่มด่่ม่ได้่ ออไปคือคูณจ็คก็ผู้รจารทั้งสกลนครครับคร่เพื่นใจแนะนาก็เลยไปใสบาตร่นครับผมไปค้องหรือสาเพียงผมไปนในาษาคับหมอคําสาธร์เจ้าปี๋อัครับเจ้าปีโอท่นเนี่อาจารยารจ้าครับผมช่วงส่วนไหนของผมปีทีแล้วครับครูเออแม่นเพื่อนได้บนเพื่อนแปดสิบปีหร yeah. ือแปดสิบเอ็ดลยก็หมดแน่นเลครับผมปัะมาณนั้น ตน้องมมบานครับผมต้นบ้านน้องมมบานน้องมมบานนี่นอูอ่อนอ๋อน้องปูตนยูดน้ำลงปูอ่อนสีเจีก็จะนี้ไปต้นน้องกรอืมขอบเ้ยลอนนีดแล้วปากเนือเขียงไม้เขียงล่าข้างหลังซับมายดแจ็คแค่ไหนละแจ็คซับมาดยดผัน ตายตายเป็นอ้างประวัติเปนวาเป็นเนหมือนเป็นโอยากค really. นตา so er ยอะไรอย่าเง้ารัอยากคนตายองเียอยากเปนเขาข้อเล็ดอบคเนาที่บบลากันไปตายแถวไหนโน่นปฏิจิตเรือกับข้นหวานหวานมะคำกุหลาบข้นตายอย่างก้อนทำหนังเป็นทำหนึ่ง พยาบาลทาพยาบาลเราดับอาเภอเข้ามาในข้าพูนอำเภอเข้าม่ใเรานับอำเภอเข้ามานโรงพยบานนี่ครับาผู้ผู้หูักก็เป็นเตต่หน่อยเลยบอกครับผมลูกผู้จัเนี่ยหรือว่าูจักางเงินี้รูจักวางเนตอนงานจบหลวงปู่อ่อนอ้งานจหลวงปู่อ่อนแต่หจักเตียมวัตถุิต มานจะเน็ตตอนพอมายูทำเสีหายเหรออ๋อพอจนไม่ยูทําสหาย่อยขยูตอนไนก็ไม่ยูน้องจ่อที่วัดน้องจ่อคือสิ่นๆร่องๆไปมาหาคืตอนตอนไม่ยูที่แหละอ๋อเป็นยูคนเดียวก็จากปะเขาคนหนึงอ๋อเอาต่กนบ่มีพาไปยูน้ำฝนเลยสิค่ับคบ่อยเหรอคนนี้มาอยูคนเดียวบ่อยเขาอยู่น้าจี่ร่องมึงจะก่อนนะ เปลนอยูทุกคนเปลี่ยนใยู่เปล่อมืองสร้างใจเมืองะก่อนครับผมทำของคอมมินิสต์เรา oh. ไม่ล่าคนย้อนวันเรืยอนเม่อตายอยู่ในเขาดีเสื่งหลังหลังก่อนนี้น oh. เขาเขาเขาเขาโมเกตกระดูดเขาคอยเลย การเปนม่ดูเลยนในยอมปวดกระดูกแก้เศหแก้เศกิบขอบากเศษกิบคนนจะครกิบวกระดูกโอ้ยดูดวามหัวใจะไนะอยากเป็นมาโนบานึ่เขาข้อมนิทรดหรเออเออมบาลสมองอมบาลัอง สมองตอนนั้นรัฐบาเป็นการเคลื่อนหน้าเขาแล้วเห็นไก็ไ้เอาตัวที่กดหน้ามเป็นไไม่เป็นปัญหาจะเป็นคาวน มันเเขาพกเลยถ้าเดินกรบวนกเอาทีหน้าจะได้เจอมันเอาป็ะเดีมันทีหน้ามันติดคนลงนะครับประเดี๋ยวผมยันนี้มันโดดก็ไปออกอะไรด้บ้ออกไปคือตายนะผลังเสีอลงอย่างครับมเสียลง่อนเนาะตลอก็ไปมังก็ไปคนองหน้านี่ยมันกล่อมมาเลยดีมากีมันดูถังท้ายไปเลยว่าําไปปวด กินของคนก็สวนปฏิวัติการย่อยมาหันะดับะดับอมเพื่ออมเพื่อเข้ามาในสมัย่าเป็นธรรมต่กวนธรรมมันมันมาจุกันอพราะว่าคนชะแท้ธรรมมันจุดกันมอยอยน้าลงมาหน่อไผู้เป็นสมัยที่อย่างครับแท้ลวบไปเลยปรมานี้ ตัแต่มีนามลง ม, มาแล้วของประเทศบวกเนกตะกร้างไนะนึงหนามลง ม, มาครับผมประเทศซุดเกันเป็นลังค่าคนเป็นโยฮันโยฮันมเลยวะไม่ทำมันโอ้โหอต่อรุงบานต่องรงวนัวน่องรุ่งวันห้าจ<อ>นไงเนี่ย้นไปเป็นแล้ว เป็นนางฟองจับเอาเลยขอบับน่นท้องมืตรงก็ถึงดกกได้เ้นนะครับนออกเลยเนระียนองจาจับเอา จ, จับจับแล้องขึ้ น, นเลย่ทีนี่นถือ <c oughs> <c oughs> ถอยูอ่แตว่าส่วนแรไปพนที่ไปมือเจ็ดคำแปดคำไ่มือเร็วว่ะตีคาที่ผ่าคำาคาแล้วว่าไปไปเปนสายจาจิ้นแหละนะนอตขึ้นนึงครับผม นั่นเส้นเน่ยเป็นมากต้นทั้งหลไยโอ้แม่แม่ยุคูนแหละนเห็นไปไปวัดต่งเกลียงเขาครองเกลียงวัดกงของางมากันงายเขาลายเขาชนะตลอดปกรายเขาปกตลาดสกานปกหมอจนใหม่จนหมอทั้งศิริราชอเคเขาเป็นเส้เข้าไปรักษาตัวอยู่ ต้องบาดที่นี่ละแต่รถเหล้าก็เอาไปโอ้แต่รก็ไปจะยังเรูองไครบปูกัไ่ฟ้าไขยงขม่น้ขึ้นระมองเ่อ้ะลบไปเลยอนท่นจะอยู่ใหม่ให่ไครับูก่อนแรกอยู่เปนอยู่แถวเมือเลยอนี้แถวมงอช่วงุณอยู่ก็ต้องูสอบครับ่นต้องูสอบมือาขเ ก็แต่ ม, มันยุเท้ามืออ่อนมาอะไรอย่างนี้ขึ้นแะลบเข้ากับเขาเสร็จสิ้นที่เขาพูดไปไปปืนตัวยนตงบานเต็เต็มขนามันตุนยั น, น, นกองขนาดบานเป็นล่งบานโอแต่สายามมาก็มันอาทิตย์หนึ่นงออกมา คนเงินพาวอัดแฟนจนเรียนเราคิดคูสอบคุนหญิงคนหน่ายแตไปจะแล้วไปทาบูลเนาะฝากกดจงปัดใจขาดง่ายง่ายอยู่อยู่ถามทางด้วยว่าตอนนี้เลยครับผมตอนนี้เลยการตก้องตะคุ่มหมอนรอบตะพุ่มกันเลยนี่ยงนี้ยืยืนเร่ยเรื่อยเรื่อยเรือยงไปอายอแล้วเขาบอะ แต่ใส่ยังใส่ดอยนันอีก ใ, ใส่น่นที่หนาวสุดจิงจัเลยเพื่ออะไเ่อคาเรอความตร่ความตรงควร น, <อ>น้สลุเขาใสเสื่อย็นใส่ให้เป็นกระตเขาคอนแท็ขึ้เนเสือ่อเนไปยึดต อ, อยแสดงว่าถ้าไปมานี่ลำบากแน่นอนเลยแต่เอาห่อไปนเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาได้ยู แต่ว่าเขาอาศัยเพ้่มแบเร็วโหมันเร็วกว่าล่อจังหวะเอาเั็นขันพลสรบเนี่ยเอาไปได้นะเปิดเทืไปพอดีเป็นว่ายอมนอาดลงบาลว่ายอมไปไปเจ็ดหมื่นน่าดีลงบาลเจ็ดหมื่นเขาเอาเงินไปทาบุญนั่นสองแสนตัวตอนี่ออกลงบาลมาหมอก็าไ้ถามว่าตัดใจที่เขามาทาบุญในเทศกาลไหนกูได้ไปรับไป เอามาเอามาเอามานี่ยนับนเงินสองสเินคุณการมาก็จเอาเงินองแสเนี่าีก็จแจแจกคอยก็เอาไปเงินมันเสอยู่โรงพยาบาลแต่มันมีโรงพยาบาล มันกัทวายโรวานเลยนะเนก็เทีโรานี่เราะมันเงื่อนไขคือมาเลยวกเ่คหมอ่นเนี่ยืป่วยจนเนี่ยนมากเยป่วยสร็ไปเ่หมอน้าโรงพยาบาลที่ออกมาเน่คนเข้ามาทาบุญแล้วก็พัดออพัดออก เราิดลงปูเรคิดเป็สอบมาเทศออกคนเขาบอกเว้นซะละคแมนครับปูคนนี้กลินธรรมชาติไม่คิดแกร้านชาแนลใครเอยมีมดแกนจะเลียนินธรรมาได้เลยหายไปเลดสักล้านบาทนี่นะฉันไ่เคยเิกแต่ว่าเห็นแต่เข้าไปลุงประว่าท่นท่านดเตือนนะครับปู แบบคนเดินกันโอ้แบบเคงเี้ยวกลัวแบสมัยนั้นน้องน้ำกว่าอาจารย์คดงดงนดงธรรมดาเนะเมืองเนือพวกเขาปลากะปายเี้ยงเขปู่างีแ่วปลากมฐาเนี่ยจะตัวเชื้อมาแล้วไอ้หยาดเชื้อน้องมันจะติดเจ็ดกมาทีเป็นไอ้ตัวต้องหยาดเืนะยาเืหกา มีเราก็จได้แบเสียเป็นใจนั่นพวกตูสอบไม่ดูทั้งทำทายแต่ไล่กันตัวคนหาไล่เป็นคนนไปหาคนไล่คนตอนคนมอจครับคนมอจ็คตกี่ใช่บาทตอนมองแจ็คลายไปตอนคนไม่ดูทำร้ายคนมจ ครับผมแต่ก่อนโมคอยโมอคอยโหนโหนกับโมป่วง้งนะคนรับรับว่าไนะด้แต่สิจุดโดนได้แต่สิที่พวกเขารูกได้เ น, นี่ยประอกนนอบนีรื่รองก า, ารเครือ่องซู่เสียวนมีนะครับผมจูเหมือนมันเผาเต็กันหมดเลยตอนมันทำสาหายนี่มันก็ใส่ล่องกามหาหัวอืมแล้วก็ไปลอยลอยต่อไปกาบล่องกาผ้ามัวกันนี้มัวให้มัให้ร่ง นั่นนั่นคืบอกซี่พี่มวยที่เป็นล <you know ูกก็ถือว่าเป็นชิลุงตามมห้าวัวนะรร้อยร้อยประจัก์อุปกรนี้มเนพระมันลังไหลก็ไปในลุงตามมาหาวัวที่ของคนจะจัมปัดก็จะคัดเดือดเอาทุ่มไดมเป็นจะสอนกับลายลายมาไว้น้ำจืดจะเลี้ยนไว้น้ัน้ำโลงคอยยังไงจะกู้ปลาแดงออูลงรี่เรผมลูรี่ ลุงฟูรี่กับโจอานเลียนนี่เนพี่น้องกันต้นบันเดียวกันเลยนะครับปู่ไลไปผู้้าแดงไลไปฮะจอานเลียนเสริมก็จะแล้วบานหลายครับครับเสริมก็ว่าผู้ใดจะได้อาหารให้เป็าโจอานเลียนเลย่ครปห้ปาโอานเลียนจะได้อาหารไปเลยมีประสอน ไปไปไปไรมาโอ้ยมกันไรมากันเราบ้างผมเจอเ่นส่วนรวัเป็นกระซองลอยะครับผมานเล่วนว่าแต่ว่าเท่ยยิ่งชวนราวัลชีสวนหยังมัวจะปนสวนใหญ่แล้วโอ้โหไม่รู้อมบน่ยมันงงว่าจะจำต้องจำหาหมาอ่าวันนี่ล่ะครับผม แบบขวนพาสากปเลยนะืมมี่มีแต่รพรเดดโมมี่เขาหุ้นก็คนใจหายนะแต่ว่างานโยงโย ม, ม่มกันไปนะคนเนีนแต่ว่าอันนั้นการงำโยงโยงกันไปหาหนึ่ <laughs> งออกที่เหตุเลยออกจะกับผาเน้อออกกับสกินื้อฮะคนคนถือใจนะ้น คือแต่ยังชาวว่าได้หลุดพิกาฮว่จะพาปานหนึมันยังบยอยู่อยู่นะครับที่บอเลยนะมันโอ้ยมอนดก่ต้องตามห้าบัวนโมกุอกวเียน้อกอนไ้นาม่เอาอยู่่มอจีมาก็คือปฏิบัติธรรมมามรอแลามาแล้วไบอฟ้งทีไล่หนีอย่างเดียว อะไรนี้อะรตัวไหนหนอยใส่ใจเป็นประเด็นของแม่นะครับผมแต่โม่บัวสุดที่จะเข้มนนี้ตอไปม่ไกังหนึ่งลูกลูปู่ปิครับผมในมู่บ้นต่ที่จะม่เดียวกันเดีนน้าบก่อน็น้องน้องขบ้าน บ้านก็เดียวนบ้านเงบ้านเดียวันแคาเป็นชื่อหยาดนเหมือนกันไปน้าลบปูชอบน้องกันของนเย็นเยนใสไปเทบเืปก็ลของเันใส่ใส่เย็นจะ้องปูเนเนเรอเพื่อนใส่นาจาดเตียงเป็นกอเต้นกันแล้วนี่อือครับผม เขาเต้นกันแหละข้านตาวาที่สิเขาถึงกันแหละไหวกันได้ดีโยมไม่ติดไป้านแต่โคกโีมใบซีใบห่าโอ้โหเรื่องไรนีปากนิดนี้ แต่คนแานั้นแล้วแตกตลาดน้องซ้อนแล้วทำมาไปแต่คนไรกับคนแถนั้นนะครับคุณไปไรทมาไปทีหายอ บ, ออบอก้มเอา <c oughs> คนมาพวกผีอย่างไรแต่เราหมดทั้ป่าห้องผพวกเจ้าพูมเจ้าผีพกเทวดา <c oughs> ที่มอดบนรยู <c oughs> อ๋อที่มอดบยู <c oughs> ไปมาแล้วเขเห็นผีมาหานนมม์ผราอยู่ยู่รา อ, อ, อกมัน <c oughs> วกน่าความผู้ว่าอาจารย์ดูส่งยางองมวยปัญหาเขาหลับพละเดทตกยาง <c oughs> วการก่อส่งก่อสั่งผู้ว่าอาจารย์ต่อการสิให้สิทสัส่งมวยปัญหาเขาหลับพละเวะมนอนโมนี้่งนี้ตัวไม่ ต, มตมสิสั่งเลยกันเล <c oughs> อยู่มันมันไม่ติดเป็นพวงมันว่าตัวเจีะร่อตูซโมไม่โตมันติดแค่แงใดนอันอันพันพันนีบอกกูหรืวว่าเป็นยีเนสแต่ละนี้เนเล็นช่วมนั้นละมามาขอให้อยู่อยู่ที่ขามันเราต่อไปจะเป็นที่จระเข้โอ้ก็เหนือท่านบนเป็นทาน กาตันตาเนยเขาจะรับพระละเอาเวทเน่ถ้ามันเย็นหนึ่ีว่นเพราะกลางวันษาพวกมมบายเป็นข้อมันเลซอยจะยึดฐานดับข้อมนเลเขายังหวงอยู่นะก็หาที่สิอะไรอุลลงที่แก่ท่านสารวาที่พระบุบลูกปาสงวนหากทางลง แตงลัดโอ้ขวากังตอตาดอหน่วยมาตรวจสอบโมเด็นมีแต่สว่านทางขรงจนโมเด็ทางนั้นหไปทั้ความเป็นไปเป็นมาเกิดสว่างมาอยู่ในสีขาวมอดใสเป็คู้ว่าอาจารย์มอใสจะเล่นหม เขาอาบินที่ต้องคือจำโอ้โเขาก็ยจะไลยงานไล่เพือนบัวบัวใจติดอยู่นบวใจติดจะ้อเป็นหัวแถวของเทียนอ้โองูเขากับเลยเขัับเลยมาเองละวเฮียาไปขอรออะไรคนอู ไปตัวจการโมมี่นะโมมีต่ตรวจมาแต่เ ล, ล่ลยเขาเสียใจเมื่อวานลงวัดเมื่อวานยังในต้นเขาเหรอลงวัดคนเรียนยอะในป่าสงวนจนเล่ยข้อไหวบัณฑ์มองวินถวายหาจินทาบเนี่ยบัณฑ์ข้อไวทรามันตรงี้มองวินถวายจะเปล่าลงก็ได้กินเสีนตายก็ได้ให้เสืนได้กินเสื่ได้พูให้หามบุก ขาบกโรคเลยคือรารโรคยางอยดหยุดสายสิบปุ๋ยตะเวรตัวหน่าอาจารย์คิวนี่โมบินดับบัสกันเครับนี่ก็สาบับปรมหนงึงเคอาหารผมถ่ายเทียนละสา0 0ัค่าอาหารโอ้อออโินับบาสเข า, าอยู่เขาันอยู่มอไผมก็ต้องถวายต่งค่าอาหารน่ เดือนละสามพันอ๋อสมัยนั้นสมัยนั้นบวมน่อยได้รางวันฟ้องแทนผู้อาวุโสบนในสักเดือนนึงเนี่สร้งแทกเตอร์ยรถไปจากเมื่อวานเขิน่อนทำหาปะไปทางเลยครับุณเลยปบอกบุญผู้อาไปขึ้นไป้าวฝนบอกจะร่องเยนลงร่างโอ้ยรถแลนด์เกา เะว่าเออเอเอมันแนนนยก่กว่ามันรีบเดียวปีงั้นไปบอกภัวมาจะทำโอ้ใช่ที่ไปที่มาเรยจไปบอกวมันอนทำแพ่รแล้ววันีิ่งใหญ่้องจับเร่งปานเป็นัมอก็ส<อ>เล่าใหา้่ไานนี้ ครับไปก่องผัวแล้วมาอุปธรรมมาแล้วเขขนี่ยผัวก็เรียนเรื่องหน้าเพิ่บกใจจิบอคเรยนได้ผัวแลก็เสียนในหนานน่อย ค, คนที่ ส, กสกเกดโอ้คนดีะเก้งครับที่สเกไปเป็นผวยุดอนอกเป็น้าเย่งเอสุโนคร่อมาเลื่องน้ำหนกยิ่สุโขมันกว่าี่เจ็ดครับ ขาขา้ขานหลายได้ไปหัวที่หางมือขาสุ่มมันเป็นข้อมันนี้ขาวันแลวหน่ะยูก้บด้วยนตะ อ, อนก็ข่าปะหนะ้าปะ<อ>ขาขีขาไปสาองค์สึกองโก้ข้อือขานะ่าบอครับผ่า เพราะหาวานเกิดกอดแนมพอน่ามองไปทักทักเขาแนวไผ่บาดเลยโคดผ้าลงเลยเนาะคือพอดันทักเขเดี๋ยวจนน้องผ่นี่แล้วบอกนวยสหารอ๋อจับไปขาดเดินไ้วุ้ยไอเนี่ก็แค่แถวนาเกียร์นะครับปู่เขาไม่ลงผู้ผ่านเดี๋ยวเาผู้ผ่านคนละคน พุดอนมือแดอนดอนมันเป็นเลือดเห็ดแดงอาาืมคติธรรมมันมันเป็นอย่างสั้นกัหารมันเพื่อเพื่อประเทศอันเดีวยวกแต่ก็มาในสวนตัน่อยคนรันน บ, นบ้ <c oughs> านมันไปออืมแยมเขาเอาทหารลาล่ า, ลาพวกเขานเนี่ยตีนากระดาาตีนากระดานย่งผา มจะลบไปดูขาดท่ น, นี่นี้เป็ น, นยังไงห่วหน่ายกูหน่ายอยแล้วก็เราไรงายจับฐานในานน้่ายง่ายใจโอ้ยเามันบ่ายอมึงหญ่ก็ทงานเยอะกุฏิล่างไปทางนี้มึงร่กิลางนีมึงหญ่กมึงทางนี้ด้ คะแการวาดกันเพรามันมีทางง่ายเหมือนกันว่าติดเขาซาลี่กันนะว่าโซลิตในเรื่องตัวการ์ดโอ้ทำัมนะคนเห็นเป็นใจหลังๆเรามากออกปากไปได้โิตรับดิวารติดเจ็ดซางพ่อไม้ก็วายขากันเองนะครับกูเาวาที่จริงว่าเล่า่วาเล่าวัน กันปากใจในให้เนี um, es, film, raw, ่กข้องกันเองแยกกันพกข้องกันเองใช่งานมากนอยรัฐบาลไ่ยอมไ่ยอมไปพกข้องกนเองไ่ให้แยกเลยหาว่าเขาเป็นคอมมอนิสต์ยึดประเทศมันเิ่มไปเรื่องเรื่องใหญ่นะกอนเามาเขาบการการแยกินเดยดเขาต้องการพกข้องกนเอง กูเสกเทียนก็ไปเยี่ยมเป็่อนรูปโอ้แบบเือนจะหลับแล้วครับเป็นเสือของเป็นหับเป็นหับหับเป็นลับมาเพื่อบางคอยงเงียบอย่างเนาะเป็นก่อการไล่เงียเียแต่ก็ไ่ได้่ง่ายแต่เราวันเอนตรงนี้เท่าสมัยน่ครับกูไปเออไอลุงเอถามว่าลุงปู่กำงเรียนี ท่านขอได้ครับแต่เขาเห็นเห็นเห็นเห็นโลกคนเกรุงเทพคนที่มันขอัแต่ว่าในปอบัตเขาก็ค่อยๆลุงปู่ได้นอนเหตุทางเพ่นเนียครับปู่ขาวาเนาะเาวาเ้าในปัตไปกับ มึงจะเขาวาลงฟูจิเป็นไปหาขบวนว่าหัวใจเหรอเขาท่านเรียนให้ตัวไรกันไม่ดีบอกแลมวก็ปากนะเืองไปคนมากเนั่งยืกันเลียวไปหมดเจ็บงกไปในะนั่งยืนนิ่ไม่นได้หรอเ มันเจ็บคั <aluminum boiler> to to like ่้หนาทรรมคนนีงั้นเรากมันหายตัวได้จริงวะเจ้าว่าบอกว่าหายดต้องหายดนเจ้ว่ามันนั่งคุยกันองนี้เจียนจเงยเงียบวองเียายตได้อย่างนี้าวเราไปสอบขามอะไรเรีนได้ตาเองมันก็ายได้มันนั่นอย่างนี้ดีีเดินมาได้ไหมนีไปเลยอ ผมถาถามผมว่าว่าหายตังไม่ได้ายเลเทานั้นน่ะอสรเรียว่านเรียมายัวได้ทีนนะเออลบก็หายจริงหรอแจริงจริงแล้วนั่งคุยกันู่นี่ล็เียวไปหวานว่าอยนั่งก็พับข้อคามนันที่งานวาเ็นนป่าคำยังก็ว่าออิมันหายกัวตัวมันลอยนี่แต่ครรู้ใครรู้จัก ลุงกูจะเรียนคุณถามมาอยู่ถามว่าเอ็มใหถามว่าเรื่องพอได้จริงไหมเขาแก่ลุงกูลุงกูจะเรียนนนเคยาบครับผมเอคมามไปสวนว่านก็ว่าไปมุ่นไปงานก็เฉพาไปนรนมุ่นท่ายังเลยลุงกูเจ้าาวาไปอยู่อ๋อานงานนไปนนมนไไป เนี่ยคนอ่อนที huh. Eat, ่ถึงนนบ่มกลนะครับผมจะออ้อยถ้าเมื่อวันกินไร่เม่อวนเอาองค์นึ่งองค์าเข้านายงนเขาติดิ่างละทหามยปาเรี่ก็ไม่จหลุดปล่อยหลุดงอหลดหยอยาไปหรอกนันตี๋ไปทั้งทางนี่ันอยางให้กินอยาให้ทัรมาที่ะ ฉันจะไปทั <c oughs> right <c oughs> ่วท <c oughs> ั้งมหาวัดขันว่ายจิ้มจแล้วเสร็จคอยจิมลูกน้องเราก็ได้หรอทีนี้หรอาเ่้องคอยลูกน้องหรือยงกคอยยูนี่มที่ีหารเนี่ยหรอไปั้งนอครนก็เกเ่นตาเยนงนี่ตงกจกตายเากัน เดงคนอ๋อมีมดไปงานนั่นงานนีโอ้ยนั่งอยู่หวันแกย็นยังจะได้หรอไปผสมคนมย่งสีหอ่าจ้ปวว้าาเพ่นเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไปนั่งอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานให้หลวงปู่พระลุญาผมซื้อว่าไม่หลุดนึงครับที่เพื่อนอธิษฐานเนย พระเนี่ยเราพระโคจัดบอกคันโคจัไล่เาวนี้มด่นพุทอธิษฐานในถึงได้ยีโอ้วัดลูกเขาพูดได้เจ้าเรื่องนั่นลูกเขาพได้เจ้าในให้กูไปบุกเสกคนเนีแต่คนนั่งยื้อพูดขวดตีว่าบวชหวกเด็กบุกเสกคนเจ้าแค่ได้ยังไงฟาตีวัว เมื่อหาอร่อยก็เป็นบาปเป็นกรรวันว่าาจลูกีเห็นชาลูกผู้พุทธลูกชาวว่านรุ่นนั่นรุ่นนี้มีมั่งผู้วาจันจับของมันมันเป็นเนนแหล่เล็กเลี่ยนแหล่เนียม่งตอนนั้นอ๋อข้องไาเขาเขาต้องตรงนี้หมดเลยนะเม้จับบอย่างนี้มแล้ว เรียบร้อยแล้วมันตรงนี้ก็อะไรตรงนีอุบายมากกว่าอุบายพอเข้าดูแลหุ่นยนต์นั่งอยู่ตร t นี้มันจะบบม้วนจับมวไอสดอืมเผมก็หาสิ ตรงตรายนตรรมาเยนเลยออกเท็จนะ่อคุณับตรงใส่ความสะาดตรงนี้ไรชีพเลนะตรงนี้ไว้พิชปัญญาตัววยิงแล้วฟองหงยางประวัติลงกูลุงกูยังลงูพังเอาหนาม้อนน้ำลรงกูพังพอเห็นบนอันไต่เทียนมาที่น้น้เยอะเสียเพราะยางเดือดเอาขู่มาเอาามา มีเทียนอยู่หัวมีเทียนเอาไตเทียนขึ้นรักเทียนไปคุยอะไรแต่เขาบอกน่าเดิไปสัก o ่างเอาเทียนจุ่มน้ะจุ่มน้ำจบที่แค่ตะมุองอะไรน่าจะอยู่ใจ ใส่เส mm. mm. mm. yeah. ียงมืนเราเาชนะเสียงนเสียงยินโซอาเสีก็น่มุดอะไรก็จากหนอนะเสีสาดมาเห็นนะเสจายจะให้ลงคู่แค่นี้สะอาดน้ำดิมพอจะคู่ะสอาดนะพวกกับผมสะอาดรัว n องสัเอาอย่างต คับมาครับวะพอเข้าม า, าเป็นแบบเป็นค่อขัดมากค <laughs> <laughs> รับปู่ผูบาอาจารย์บุญก็กล่องเนี่ยเสียดอย่างไหนไน่ใส่หวเยเล่นเสยเี่อเสียดับเกียนจงจัอันนี้เอนจิตจิต่นไวอมัปู่จิตผูบาอาจารย์ลักษณะผูบาอาจารย์เทร มันคือกันพระองค์เขาใจเย็นท้ายพยายามใดนักใจเย็นท้ายอย่างหลวงพ่อบางทีมันก็ใจละมเวนท้ายใจหายหลว่จะเยนน้ำมันกะมจนทร์อยบนดวเ่งใหญาพุทธลูกเราไม่เห็นเลยจ พิเศษไปไห น, น อ, ยไอย่างเงี้ยเจ้าคอยกอดที่วัดอย่ไหนทีเป็นบาตรนรร้ำพนิชแ่โบสถ์คองคลอิเศษไปเนี่ยโยสยนกกรอืมเจ้าวมากะโยสนยุเจ้าโอ้แสดงว่า เ, เคยไป เ, เนาะเคยไปครับ จะเลี้ยงงาคูจันพกเราย่ไปครูได้ไปครับคนจะเช็งคู่ใจันมันจองนคิดธรรมดาเลยจนมาคนรวยคนรวยจะมวาพอยากหาผ่านมันหมดหอยากไปแล้วกันว่าไปหาขับห้าบาทอย่างไร ลุงปู่หลังจากลุงปู่ประเสริฐไอซีดีคูโตะครับผมยุวัดทังเขือนนั่ครับผมเคยยิ่นนหลงปู่วนลงปู่ห ล, ลานลงุาน<ล>งา<ล>งครับผมบเคยเไปในมเลอนเ้เนาะ ใ, ในวัน น, น, นเพนอเชเินครับผม เนนร้ากงอาที ers, ers so ờ, oh, ่ะา้เ็นฟางเลยวนมกนบดเหนียวๆน้ำพันเลยตะพีตะท่าข้างในอ๋อองค์หนึ่งยีแถวชายโป้โอ้ลูลปูจืนอัน้นอ๋องนึงคือัเหยียบขงสันแมนลูกปูไหนเนาะลูกปู่นหอนปูจืดหรือไอ้ลูกปูจืดอ๋อมาหนอนอ้ ข้บพมูโอ้ถ้าสร้งยี้ไอ้สร้างายี้มันตอนเตายาหมดเตาทีีเจ็ดเสิบจ็ากติดไปผู้ตรงเหมือนยังไง อ, อ่ะเจ็ดลาศากแล้วตั้งเครื่องอีกจะเหลนน้ำมันโยโอ้ใบหัวมันโยขึ้นเตาีตีไฟอีกมันจะ พึ่งพึงเข้าไปเข้าไปจะจะจับหัวนะหุ่นติดเมือนย่องย่อ ง, อ ง, งน้ำกนัวโยงพอเราจับจจมันใส่จัดมันต้นอกาะมันมวนแข็งเนาะผ่ากจับมัาายยานางส่สางเนาะนตือนเตือนก็สมากีกะเอาไปโยด้วยโคตรจิ ต, ตโคตก็บไปโยด้วยถืเลยอ๋อ วงเลยขุดแสงขับเพราะว่ามันมันสัญชาติย่านจัดดังขวับมันแสดงว่าปืนเพิ่มเลยเพิ่มขึ้นนิ่งอั่งนิงสงอย่งหาที่ลดนี่มันแรงท่านนั่มควนไปเลยข่ายังก็แล้วบางตใหม่ต่ตใหม่ต่กง บอลอ่อนได้กล้องย็บกล้องขนาดได้ได้มาถ้ามล่ายังเห็นคนจับหัวจ้างอยู่ตอนจับมีจับหัวจ้างนี่ก็แพบแหลายมากรูไดเลยถ่ายหลวงต้องโเมยังถ่ายหลวตื่นก่องตื่นแท้แต่ว่าคเอาประโยชด์ กัดก the you know, ินตัวเอยยเหยียบไเ่อแล้วภาคกระจายโยกแค่ใจว่าใจว่าได้น้ำเข้าแต่ว่างั้นของมันมายืดถิ่นนะอ๋อเอาไปยืดถิ่นเขอมืเื่อเามาลางหรอเนเนับหัวั่งอลู้าหง่เจาฟูดดังพูดสดข้าพูด เนมากถึงจะเอาปฏิปาสันเกศหลวู่หลวงปู่พานชันเกศหลังทิพเทนละองค่อนจะไม่หรอกขับปู่พานขับ่ว่าไปยุทธคอนแกนรับเงินก็คิ้วที่ัดดย ความเพียรสอนน่ะฟูเหมือนฟูเตาไปเรื่อยๆเลยดีเดี๋ยววันนี้ใช้คนมาสังเกตโอสมเด็จไทยโมเขตไหนเหรอการเรษฐกิจเขาแยกคนกเด่นบ้างคับโอครับผมคนเด่นคนสังเกตเราะมัลาวไทยสบายดี องคุตซอเห็นอันอันพระอันหนักองคุณอยู่อ่ะนุกุตซอเด็กเคยเห็นนุกับปูอันหนักองคุณไหนพระทงนุกุตซอไ่มีนุกับปูนุกุตซอวันไหนพระศิลาเนี่ยนุกุตซอพันธุโรไหมนับปูเคยเท่ยวเที่ยวโซนครับผมเคยเคยเห็นด็เลียงเปนอยู่ครับผม แต่ว่าองค์พานเบรอร์ใครเขาไปเห็นครับผมสงสัยเเอาเอาสำลองไว้ของแขกก็ติดเสียงเป็ดเจี๊ย<อ>ครับผมของแขกก็ติดเสียงท่นใดอยู่ไหครับผมที่นอนไหน่แถวอุดรเ น, นโอ้องค์หนึ่งส่นเดียวกันโยนอำเบหรืออาณาพกัส่วนเดียวกัน เราหลุดช่องแบบเดีย ว, ยวกันหมดเออ แ, แ, แต่ต่งชื่อว่าองว่าเดกััตเจ็ดกับัตอย่างพน้ครับเห น, น, นเป็นเดียวนพรน้าบความอันเ ป, นป็นเสียงอันหนัห น, น, นักเสียงมาพวกเสียงโคมไ กพุทธลเลยหวานโแมนสิงเฮาจวนเก็ดระรอ๋อกเกกรงงแมนหน้ากมแมนหน้ากยู่แถวมหาอื่นโมมาศกเก็ดกระซัตรอ๋อโห่เนาะเอาไปไหนไปเป็นตะไปเนุงกอไปน จะบาดสนักก็ได้โอปนนท์ไปหนักมากครับปูโอปนนท์คงซ้ำแรงครับปูเกิดอะไรขึ้นหาทิศเสนอ๋อหาทิศเสนกิเกิดซวูดนเลเกิดซมันมันแทเพรานนทไปเนี่ยหนักเลยครับปููกระเด็นแต่นเป็นดังครับทครับอยู่เยอสรคุณผู้ชมชวนมาใหดังนำห เราคนพอเดาของแปดพอปู่เป็นคนถือประองชาขนน่อยฮาดาร์ดจลาถี่ฮาร์ดคนยาก่เาจับเ่าโอ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยดยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย คือดงเปล่าเจ็บดงสมัยใหม่คืดงโฆษณาเน่วะสมัยคือดงสมัยคู่บ้าจานุ้ยมาเรียนกันเนาะไปสิหน่ำเมื่อที่เราพวกเขาลได้ที่น่ำในวะสามเมืองจะใหหม่องน่องวดเรียนเลยจำพรรษาสเดือนองค์ก็จำ ลุงกูสอนมึงมาจำมัดเลยมาจำัดใจเจ้สินับยังไงว่าตั้งดาวบวชมาเป็นปีเมันับว่าสาเดือนก็จะไปไปแล้วนะสามวันสาเดือนเลงปู่หลุยลุงปู่สอนสององค์เนี่ยจะทำประการบารุงเลยบวชมาเนีมันหล่นวันไห ปวดโ i นปัญแดงหลวงปู่ใช่ไหมันจายเขาดนักดสนใจเขาดนปัดออก็เคยจน้ายากไปไม่เคยโอาเก็โลูเคยงน้บจามัครับหลวง่่เคย่เคยไปแล้วคอย่อยไปเดี๋ยวคนเจริญ อ๋แต่แก่อนเนี่ไปอยู่ <ไป S 1> มก <แ S 1> อกรูยกละ่ะเี้ยงเดกเลี้ยงเดกมันจะเลื่อนเล้าโอ้ล่าแล้ว응อืม<อ>ยุเป็นน้องคู่วาากันจะลาไปจ ร, รกรจอจะแย่ยัง<อ>ไงสหลาอะรง้อ๋อคือปฏิบัติดูกระหมองเอามครับยเป็นมักหมุนป้าหมุนดงไป S <S มั ก, ะม ก, กจะเป็นไทยรั้งของกม่าส์เองโอมักยังมักยังยังรับจากประเทศไทยขมามกม่าจีนไปกินถูกไหมเพอยากข้อขาวาเลยหลุดได้กกมไมคงมักไปต่อไอทหารกมารจับแล้วจับขึ้นมาโ เงี้ยมองไหวร้อยไปยี่าวันเพราะหมายหงปาด้ยความไปหาประเทศจีนส่วนไหนทั้งเหล้านะครับคุณคุข้าวาก็ไม่อะขก็มากกับจีนมันอยู่มองตอนพฤษี่ประเทศโอจีนเล้าก็มากนะใครไปดเห็นที่ว่ามีคะแนนสูงนะโอคะแนนสูงแต่ชาก็มาจ้องอะไรเขาสั้งใหม่ เขาต้องท้าเกลือคนละวันน้ำลิมแม่น้ำคงไปอาศัยพระพมาเขาวนไปล่าเขาดื่มไปเล่าหรือก่าทั้งลงเสกองพระบางพระบางล่างนี คุยกินเหมือนกินกินติดเหล้าเนาะก็บอกลาอ่ะฮะเฮยคือเออแต่มันอล้ต่แล้อนนที่มันติดทางเหล้ามันกินลาเนี่ยวาลก็ับก็ลนะอสาเหล้าไทยไงไทยเป็นเท่า่เกินเกินจะีเาอนอาร้่เไทยอื ของไปเล่ามาตองแกกันยันเลาแฟังฟังกันหเรียงเขาฟังกันเรงเขาเขาฟังบอครับภาษาเขาครับกรมภาษาเดียวกันคิดตว่าเรีนเกลี่เนาะเขียนบ่อี่นะครับปู่เจ้าฟังฟังเรียงมั้งนะเกี่ยเนี่ยลุนโตเขาเรียนภาษาเล่าตองเัี้ยงเล่าต่อมากว่าใส่ต้องเลี้ยงใหเลยหลุนลางๆมาอ่านตัวเล่าบอกทุกวัน ตัวเหล้าได้ถี่กว่าปะมากว่าตัวเล้าได้ก่อน่เป็นตัวไทยน้อยเนี่ยตัวไทยน้อยตัวถ้ำนี่แหละครับตัวถ้ำซื้อถ้ำเก็ดมองหองมองห่อครับผมตก้อนนี่เลี้ยนไวทังนีตมากแบบาทรับเลี้ยนภาษาไทยเลียน่าเลียนข้าวขยังพิมพ์ไทยเราเป็นตัวไทยุดหลังอ่น ภาษาเล่าก็เหรอแต <Captain. S 2> okay. mm ่ว hmm. mm ่าใส่ภาษาล่าจะอ่านตัวเลขเล่าครับมันภาษาเดียวกันเลยจะอ่านของเขาก็จะครับแต่ว่าบางมตเตา่คดเนี ทางผักเนือเชียงร่ายเชียงไม่ภาษาลาวหรอครับนั่นคือเทนว่าปูสานจะดีปูสางดีใช่ไหมครับผมอายุกลางบ้านอายุกลางบ้านผมกางบ้านตีนบ้านเนี่ย้งล่ำหนมุกอ๋อขอเสือคนหันอ๋อผมสืยนัพ่อแม่คนกางบ้านยืยันได้ก่อนอ๋อจะเลางฐานที่เกิดสนนิกัน สางไส้หมูฟังไส้แฮโอครับผมเพ น, นเป็นเป็นทีของของไข ค, ครับปู่จรงของพ่อแม่ของคมเดชิ่มโอ้เพลื่อนตอนโอ้เจ้ามากเลยแต่หลบร้านเลนส์นอนทายพอไดไปเลยเวลาก็เอามาใส่สื่อเราทุกวันอ๋ขอขเขาสื่อถวายบอกครับปู่ ซอยกันติเลยโอ้ซอยจันติที่3ามงานครองขาย2อ0 0สนเศษสามเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ดินเท้าเหนียวงานที่อขาน้องิดคงโอเอาหมูอื่นกับปลาไหลง่อมเสือกตเนี่ยแค่นั้นก็พอสามงานพ่อค้านพอะไรอยู่โ ออกไปขายรานเลี้ยสัตเด็ออกไปิขายมอนสัตเด็กก็หสิไรเนาะ <c oughs> มาละครไม่บุญนหน้าจำเป็นจำย่อมนาบุญเลยสามปีนงึงกัลือ่สามลา้านเป็นลุ่ม่งเดีหล่ ง, ล ง, ลงแต่ว่างี่สิเดือนนัน คว่ำหาเน็ตหาเน็ตคู five met, five met, foods, hmm. ่หาเน็ตโอ้ต yeah. ั uh ้งเน็ตตั้งเน็ตครับผมสครับันอสอสงตัเน็ตสองครับผมเซ็ตใหญ่เลยโีิ เงินแล้วไม่ไหวว่ามงเกิดเด็ดตินี้ข้าสยังเกียย่บามงเด็มีเกียงอยู่ไกัน่ี่ใส่ร คิดว่าแต่ยิ่งเจอมัรคิดว่าเปลี่ยนไปกว่าเดิมเออมันคิไม่คิดมันนี่เนาะแ่้เลยเนาะ้าเลยยินเป็คนยังไนาะลมันมีแต่เบนซินใช้วผมันเล่นน เสียงไหวดิชาวผมไหวทั้งร่างเหมือนเสียงไหวดูซีดทีว่าใส่มืเดิมรัวเรียงแล้วใส่คอไปซีดดได้บ่ยังไมู่ที่วัดคูบาอาจารย์ แก น, นี่มี่หมอขับปููพ่อของแกมอหุ้นเยวะดอนท่าโอ้อปีีต้องปูเสาปีต้องปูเสารับปูเครยไปเครียดไยครับปู